และแท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระผู้อภิบาลของฉันและพระผู้อภิบาลของเจ้าไม่ได้ให้พวกเจ้าทำร้ายฉันได้และถ้าพวกเจ้าไม่เชื่อฉันก็จงถอยหาอและถ้าพวกเจ้าไม่เชื่อฉันก็จงถอยห่างออกไปจากฉัน แล้วเขาวิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของเขาว่าชนเหล่านี้เป็นกลุ่มชนผู้กระทาผิดดานั้นเจ้าจงเดินทางในเวลากลางคืนพร้อมด้วยปวงบ่าวของข้า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 และเรือกสวนไร่นาและอาคารระหโหฐานอันมีเกียรติและความสะดวกสบายที่พวกเขาร่าเริอเช่นนั้นแหละเราได้หมู่ชนอื่นรับมรดกครอบครองมัน และชั้นฟ้าและแผ่นดินไม่ได้ร่ำไห้เพราะเสียดายพวกเขาและพวกเขาจะไม่ได้ถูกประวิงเวล่ะ และโดยแน่นอนเราได้วงวานของอิสราเอลรอดพ้นจากการลงโทษที่น่าอัศวจากฟิรอลแทจริงเขาเป็นผู้โอหังจากบรรดาผู้ฝ่าฝืน และโดยแน่นอนเราได้เลือกพวกเขาเหนือประชาชาติทั้งหลายในยุคนั้นเนื่อด้วยความรอบรู้ของเขาและเราได้ประธานสัญญาณต่างๆแก่พวกเขาซึ่งในนั้นมีข้อดทดสอบอย่างชัดแจ้งอินนาอูลาาลูนอินีอิลมตุนัลอูลาวะมนะห์นบิมุชรนถ้าจริงชนเหล่านั้นแน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่า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 อินนะุมกาูมุจริมีนพวกเขากุฟาตมักกาดีกว่าหรือหมูชนแห่งตุบบะชาวสบะแห่งเยเมยนและบดาหมูชนก่อนหน้าพวกเขานั้นเราได้ทําลายล้างพวกเขาเพราะพวกเขาเป็นผู้กระทําความผิดวะมาคอละกุนัสสะมาวาติวัลอัรฎอวะมาบัยนะฮูมาลาอิบีน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 ถ้าจริงวันแห่งการตัดสินนั้นเป็นเวลาที่ถูกกำหนดไว้สำหรับพวกเขาทั้งหมด ว, ม م م มวันที่ญาติสนิทจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดให้แก่ญาติสนิทอีกคนหนึ่งได้และพวกเขาเองก็จะไม่ได้รับความช่วยเห ล, ลืาาลลอ เว้นแต่ผู้ที่เอาล้อทรงเมตตาถ้าจริงพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงเมตตาเสมออินนชเรัซกูมิทลีมถ้าจริงต้นซักกุจะเป็นอาหารของผู้ที่กระทำบาปลมุฮลกลฟิลบุตูนกัลลลฮามมเช่นทองแดงที่ถูกหลอมเดือดมันจะเดือดอยู่ในทอง เช่นการเดือดพล่านของน้ำร้อน ม, มีเสียงกล่าวแก่ยามเฝ้านรกว่าจงจับเขาไปและลากเขาสู่กองไฟที่ลุกโช น, มมนแล้วจงราดน้ำเดือดบนหัวของพวกเขาเป็นการลงโทษ จงลิ้มรถการลงโทษเถิดแท้จริงเจ้าเคยพูดว่าเป็นผู้มีอำนาจผู้มีเกียรติแท้จริงนี่คือสิ่งที่พวกเจ้าเคยสงสัย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 ในสวนสวรรค์นั้นพวกเขาจะไม่ได้ลิ้มรสแห่งความตายนอกจากความตายครั้งแรกในโลกดุนยาและพระองค์จะทรงคุ้มครองพวกเขาให้พ้นจากการลงโทษแห่งไฟนรกโดยเป็นความโปรดปราน จากพระผู้อภิบาลของเจ้านั่นคือความสำเร็จอันใหญ่หลวงแท้จริงเราได้ทำให้อัลกุรอานเป็นที่ง่ายดายเป็นภาษาของเจ้าเพื่อพวกเขาจะได้ใ ค, ค่คนริง